การไม่รับรักเป็นบาปหรือไม่ถามการปฏิเสธไม่รับรักคนที่มาติดพันแล้วปรากฏว่าเขาเสียใจมากเห็นแล้วสงสารและทําให้พลอยรู้สึกเศร้าใจตามอย่างนี้แปลว่าการปฏิเสธของเราเป็นบาปหรือไม่ตอบบาปหรือไม่บาปบาปมากหรือบาปน้อยต้องมองหลายแง่หลายวาระครับ 1. คุณมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเขามาชอบข้างเดียวหากยังมีลักษณะอนุญาตให้เขามีความหวังหรือซ้ำร้ายทำเอาเขาอาการหนักขึ้นการให้ความหวังลมๆแรงๆโดยอาจใช้ภาษาพูดหรือภาษากายอ่อยเยื่ออย่างนี้ถือว่าเข้าขายหลอกลวงกฎหมายบ้านเมืองเอาผิดไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมจะตามล่าคุณในวันใดวั น, น, วนหนึ่งช้าหรือเร็ว คือมีเหตุบีบให้ต้องเป็นหลงชอบคนอื่นข้างเดียวด้วยความทรมานใจเข้าบ้าง 2. คุณมีท่าทีอย่างไรในขณะพยายามปฏิเสธหากเต็มไปด้วยโทสะพูดจาทิมตำให้เจ็บใจให้เขารู้สึกไร้ค่าอย่างนี้เข้าข่ายทำร้ายกันกฎหมายเอาผิดคุณไม่ได้อีกแต่กฎแห่งกรรมจ้องจะคัดสรรคนมาทำร้ายจิตใจคุณคืนบ้าง หรืออาจเป็นเขาคนนั้นย้อนกลับมาเองนี่เป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนผลัดกันหักอกเนี่ยเยอะนะครับเห็นเห็นเลยแล้วว่าเปลี่ยนผลัดกันก่อเวรในชาติเดียวกันนี่เองไม่ต้องรอชาติหน้า 3. คุณมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าเขาเศร้าจัดหากกระยิมยิ้มย่องเกิดความสะใจภูมิใจในเสน่ห์ของตนเอง อย่างนี้ก็เข้าไขา่เป็นเศษกรรมได้เหมือนกันคือถึงแม้ที่แรกคุณไม่เจตนายั่วให้หลงแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธหุน้นหนแบบมะนาวไม่มีน้ำขอเพียงมีใจยินดีที่เห็นเขาเจ็บเพราะคุณเท่านี้ก็จัดเป็นกรรมทางใจซึ่งมีผลแล้วแต่ผลอันเกิดจากกรรมทางใจอาจรอคิวกันนานแตกต่างจากที่ลงมือทาหรือออกปากพูดด้วยเจตนาประทุษร้ายมาก หากสำรวจตัวเองแล้วเห็นว่าไม่มีจิตคิดประทุษร้ายสักขณะเดียวก็ลงใจไปได้ปลอหนึ่งครับเห็นเขาเศร้าก็อย่าไปเศร้าตามเขาแค่ทำใจเป็นกลางเป็นอุเบขาว่ามโนกรรมของเขาผูกมัดตัวเองร้อยรัดตัวเองเขาก็ต้องทุกข์เองคุณมีหน้าที่รักษาความสุขความปลอดโปร่งของตนเองไว้ลคิดกับเขาในทางดี พูดกับเขาในทางดีให้ได้สบายใจตามคุณส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นอยู่กับมโนกรรมของเขาเองเป็นหลักหมายเหตุทิ้งท้ายไว้หน่อยบางคนเนี่ยตอนไหนไหนดีหมดไม่แกล้งยัวให้หลงไม่ปฏิเสธแบบทิมแทงแต่ด้วยความไม่รู้ยังคลาดนิดหนึ่งตรงคิดกระหิมยิ้มย่องยังยินดีที่มีคนบาดเจ็บทางใจเพราะตนเป็นต้นเหตุ อย่างนี้เป็นกตัดตากรรมคือไม่ได้เจตนาให้เขาเจ็บแต่แรกทว่าเมื่อเขาเจ็บแล้วยินดีเสมือนได้ลงมือทานี่ก็เรียกว่าเป็นกรรมทางใจในภายหลังผลอาจเป็นการเจอคนแลงน้ำใจเมื่อต้องการความช่วยเหลือหรืออาจถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง